ที่นี่ลมแรงลมแรงน่ากลัวใครมาค้างที่แรกจะกลัวหลังคาหลุดมีใครไม่เคยมาไหม อ, อ๋อมีไม่กี่คนเคยฝึกแบบไหนหไม่เคยเลยนะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะมันเป็นเรื่องง่าย เราลืมภาพหรือสีฉีพรายนั่งหลับตาอะไรง้ลืมไปก่อนดูหนังมากไปไปวาดภาพการปฏิบัติเหมือนต้องนั่งหลับตานั่งนานๆเหาะได้ซะอีกนะการปฏิบัติทำจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเราเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะสามารถอยู่กับโลกได้แบบทุกน้อยๆนะ มีทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยฉะนนไม่ได้ทําอะไรพิเศษพิสดารงานที่ทํามีอันเดียวคือเรียนรู้ตัวเองเมื่อเรียนรู้เต็มที่แล้ววันหนึ่งจะไม่ทุกข์จะสามารถอยู่กับโลกได้แบบไม่มีความทุกข์หรือมีก็น้อยคนอื่นเป็นบ้าไปแล้วเครียดมากเราไม่เป็นอาจจะนั่งหัวเราะกับชีวิตตัวเองที่มันผันแปรไปเรื่อยๆ การเรียนรู้ตัวเองก็มาสังเกตเอาสิ่งที่เรื่องว่าตัวเราก็คือกายกับใจเพราะงันการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายกับใจตัวเองไม่ต้องไปเรียนรู้กายกับใจคนอื่นเพราะสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือตัวเองให้เราเรียนรู้กายกับใจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วกายกับใจเนียมันเป็นยังไงเป็นของดีของวิเศษไหมเพราะเรารักมันมากนะเราก็มีภาระกับมันมาก หวงแหนเั่นล่ะก็เลยต้องมีความทุกข์มันมากพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เรารักอะไรมากที่สุดก็รักกายรักใจนี้มากที่สุดเราก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจนี้มากที่สุดส่วนรักลูกรักสามีพัญญาอะไรนี่รักรองลงมาที่เรารักว่าเป็นลูกเรารักลูกมากบางคนบอกรักลูกมากที่สุดที่รักลูกก็เพราะมันลูกของเราถ้ามันลูกคนอื่นก็คงไม่รักหรอก สุดท้ายมันก็คือรักตัวเองนั่นแหละพวกนักปราชญาฝรั่งเนะี่ยมันเคยคิดกันไว้บอกมนุษย์เนี่ย อ, อ, อยากเป็นอมตะเพลโตบอกอยากเป็นอมตะเพลโตหรือโซเครติสจำไม่ได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นอมตะได้มนุษย์เลยต้องมีลูกรู้สึกลูกก็คือตัวเองดงั้นความรักลูกก็คือความรักตัวเองนั่นแหละเพื่อจะให้ตัวเองเป็นอมตะไม่ตาย มีการสืบทอดไปพระเจ้าบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเรารักอะไรเราก็ทุกเพราะอันนั้นล่ะครั้งหนึ่งพระนางมาริกานะเ ค, เคยเถียงกับพระเจ้าประสิทธิใช่ประสิทธิโกศนนะ์นไปได้ยินคนพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะท่านไม่ชอบท่านบอกที่ใดมีรักที่นั่นต้องมีสุขสิ <c oughs> มีรักแล้มีทุกได้ไงะ ก็ไปเรียกพระนางมาริกามาถามนางมาริกาเนี่ยนับถือพุทธเจ้านางมาริกาก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าโกศลไม่ชอบใจนะบอกขอฟังเหตุผลห่อยนางมาริกาก็เลยยกบอกเนี่ยพระองค์รักแวน้โกศลมากใช่ไหพระองค์ก็มีภาระผูกพันอยู่กับแวน้งโกศลมากมายกลัวว่าจะเสียหายไปเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งอะไรอย่างเงี้ย มันมีความทุกข์นะหรือวันหนึ่งถูกคนอื่นเขาแย่งแฝนนี้ไปก็จะมีความทุกข์พระเจ้าโกรศนนี่เป็นมหาอำนาจนอกจากคลองแฝนโกศนแล้วยังคลองกาสีด้วยมากาสีเป็นที่รักถ้าเสียกาสีไปก็ทุกข์อีกนะยังไม่เสียไปก็กังวลกลัวคนอื่นมาแย่งมีลูกมีเมีย ม, ม, มีอะไรก็กังวลกับสิ่งนั้นรักอันไหนก็ ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นกังวลอยู่กับสิ่งนั้นเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นกลัวสิ่งนั้นจะสูญเสียไปสิ่งภายนอกเนี่ยยังรักไม่เท่าไหร่สิ่งที่รักที่สุดคือตัวเองที่รักเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นของดีของวิเศษเรารักในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารักตาเพราะตาเนี่ยทาให้เราเห็นรูปสวยๆเรารักหูเพราะหูทําให้เราได้ยินอะไรที่น่าฟัง เรารักจมูกเพราะมันไปดมกลิ่นหอมๆได้ถ้าจมูกเราได้แต่กลิ่นเหม็ น, นเราจะไม่รักจมูกนะอยากจะจมูกตันไปให้รู้แล้วรู้รอดไปเรื่องที่เรารักตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะรู้สึกว่ามันนําความสุขมาให้ถ้าหากเรามาเรียนรู้ความจริงว่ามันนําความสุขมาให้จริงหรือไม่จริงในะครรู้ลงมาเราจะพบว่ามันนํามาให้ทั้งความสุขและความทุกข์ไม่ได้นํามาด้านเดียว มีตาก็าเห็นของสวยบ้างเห็นของไม่สวยบ้างมีหูก็ได้ยินเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างเสียงที่เพราะบ้างเสียงที่ไม่เพราะบ้างเสียงที่เพราะของคนหนึง่งอาจจะไม่เพราะของคนหนึ่งก็ได้นะมีคนหนึ่งชื่อพงเชษที่อ๋องคล้ายๆเป็นน้องร่วมสาบานหลวงพ่อนะไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันตลอดก็เคยเล่าให้ฟัง่าบ้านเขาอยู่ใกล้ตลาดสำย่านวันหนึ่งเข้าไปในตลาดนะ ได้ได้ยินเสียงจีนเจ๊ไขหมูนะเจ๊ไขายหมูอีกคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวผัดคนหนึ่งนะถือตะหลิวอีกคนหนึ่งถือมีด <c oughs> เอตโลใส่กันลั่นเลยนี่กลัวนะถ้าเขาจะฆ่ากันหรอไม่กล้าเข้าใกล้คนอื่นนันนั่งฟังยิ้มปรากฏว่าเขาคุยกัน คนไทยโบราณชอบล้อคนจีนนะบอกว่าเจ๊กปลาใสาเหมือนไทยตีกันเ <c oughs> นี่ยนึกว่าเขาจะฆ่ากันเนเสียงที่เออเอตโลใช่ไหมฟังน่ากลัวสําหรับคนคนหนึ่งกลายเป็นเสียงมัทุรถวาจาของอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมีหูนะก็ไม่ได้ฟังแต่ได้ดีๆอย่างเดียวนะสิ่งที่ฟังแล้วว่าดีก็ดีของคนหนึ่งไม่ดีของคนหนึ่งมันเป็นดีที่ไม่ไม่ใช่ปรมา ธ, ธรรมเป็นโดยสมุติบัญญัติ ถ้ามีตาหูจมูกเล่นกาใจก็กระทบของที่ดีบ้างไม่ดีบ้างพอกระทบของที่ดีใจก็ฟูขึ้นมาพอกระทบของที่ไม่ดีนะใจก็แฟบลงไปเวลาที่ใจฟูขึ้นมาัราก็อยากให้มันอยู่นานๆเวลาใจแฟบก็อยากให้มันหายไปจิตที่ฟูขึ้นแฟบลงกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงทั้งวันเนี้ยมันไม่มีความสุขจริงๆหรอกฟูขึ้นก็ไม่ได้นําความสุขมาให้นะนี่คนทั่วไปมองไม่ออก มองเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจใจฟูๆแล้วว่าดีแต่ถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นในการที่ใจเราต้องเบี่ยงเบนออกไปจากความเป็นปกติไม่สบายจริงหรอกใจที่ฟูนะลิงโลดลำพองอะไรขึ้นมานะก็เป็นภาระไม่ใช่นําความสุขมาให้อย่างแท้จริงส่วนใจที่แฟบแฝบนี่ใครๆก็เห็นแล้วว่ามันไม่ดีเนี่ยเราภาวนาไปเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะฟูขึ้นหรือจะแฟบลงเนี่ย น, นะ ก็เป็นภาระของใจทั้งหมดมีแต่ความทุกข์ดังนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนอกจากความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปตามการกระทบกระทบแต่ละคราวแต่กระทบแต่ละคราวความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยความรักในกายรักในใจก็จะค่อยๆหายไปที่เรารักเพราะเรารู้สึกว่ามันนําความสุขมาให้ แต่พอเราจเจริญสติมากเข้ามาเข้าเราพบว่าความทุกข์เกิดอยู่เกือบตลอดเวลายกเว้นเวลาที่จิตลงผวังไปไม่รู้เรื่องเวลาที่เหลือเนี่ยที่รู้สึกขึ้นมาเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกคราวไปเะฉะนั้นเราภาวนาเราก็จะเห็นเลยโอ้กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆอย่างกายนี้คนทั่วไปก็เห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพอเรามาภาวนานะเราเห็นเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ ไม่หายใจก็ทุกเยืนก็ทุกเดินก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกนะหิวก็ทุกนะอิ่มก็ทุกอีกมันมีแต่ทุกบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกเนะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเรเห็นว่าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยความรักในกายก็หมดไปเราเปรักก้อนทุกข์ได้ไงไม่มีใครรักความทุกข์หรอกเขารู้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตก็จะไม่อยากได้กายแล้วไม่ยึดถือกาย แต่ทีแรกไม่ไม่เข้าใจก็จะไปเกลียดกายพอเห็นว่ามันไม่ดีก็ไปเกลียดมันเมภาวนาไปอีกก็เห็นเลยใจที่ไม่เป็นกลางนะนําความทุกข์ซ้ําซ้อนเข้ามาอีกร่างกายก็ทุกข์โดยตัวของมันเองแล้วใจที่ไปเกลียดร่างกายก็ทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกทุกหนึ่งแต่อไปใจก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่รักร่างกายแล้วก็ไม่เกลียดร่างกายด้วยเป็นกลาง สักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่เห็นความจริงของร่างกายนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ยึดถือเราไม่ยึดถือกายเนะีกามและปฏิฆะเขจะดับโดยอัตโนมัติไม่เกิดขึ้นคำ ว, ว่าดับก็คือไม่เกิดขึ้นนิโรธเนะี่ยนิโรธจริงๆไม่ได้แปลว่าดับศูนย์ไปอะไรอย่างนั้นนิโรธจริงๆคือไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นของทุกขไม่ว่านิโรธในทางจิตใจเราก็จะคอยตามรู้ตามดู ไปเรื่อยเราเห็นมันเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆซ้าแล้วซ้ําอีกเห็นแล้วเราบังคับไม่ได้ด้วยสั่งก็ไม่ได้บังคับไม่ได้พอดูซ้ําๆอย่างนี้นะใจมันก็ไม่ยึดถือในจิตใจเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะหมดความยินดียินร้ายในกายในใจไม่ยึดนละก็วางปล่อยวางพอปล่อยวางได้แล้ว กายจะเป็นยังไงใจจะไม่ทุกนะจิตใจเป็นไงจิตใจก็ไม่ทุกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงละเพราเราภาวนาเราถึงจุดหนึ่งเราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจถ้าปล่อยได้แล้วเราจะพ้นทุกข์ไม่มีตัวเราที่จะตั้งรับความทุกข์อีกต่อไปทุกวันนี้ความทุกข์มันมีอิทธิพลมากเพราะว่ามันมีตัวเราเข้าไปรับไปรองรับความทุกข์มีร่างกายเข้าไปรับความทุกข์มีจิตใจเข้าไปรองรับความทุกข์ ้าเมื่อไรคืนกายคืนใจให้โลกไปนะความทุกข์ก็มีอยู่กายกับใจเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองความทุกข์ยังมีอยู่แต่จิตใจเรานั้นไม่เข้าไปรองรับความทุกข์นั้นอีกเราก็จะเป็นอิสระขึ้นมาเรียกว่าถ้าเราไม่รักอะไรเราก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นนะถ้าไม่รักตัวเองก็ไม่ทุกข์เพราะตัวเองแล้วตัวเองเป็นที่รักที่สุดเลยใครบอกว่า ผมรักคุณที่สุดเลยอะไรเนี่ยบอกไปเลยนะกูหก <c oughs> บอกอย่ามาโกหกเลยไม่เชื่อหรอกถ้าเชื่อก็โง่เท่านั้นแหละมีแต่แกล้งเชื่อนะบางทีก็แกล้งทําเป็นเชื่อไปองั้นจริงๆไม่เชื่ออย่าไปเชื่อเชียวงั้นเราหัดนะหัดรู้กายหัดรู้ใจไปเรื่อยดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงจริงๆเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงจริงๆเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์จริงๆเขาบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ ดูไปซื่อๆรู้ไปซื่อๆถึงวันนึงก็เห็นแจ้งในกายในใจเมื่อเห็นแจ้งในกายในใจก็พ้นทุกข์ตรงนั้นแหละมันพ้นของมันเองนะเราไม่ต้องทำอะไรจิตมันจะสลัดตัวเองออกจากกองทุกข์หลุดของมันเองจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะลึกซึ้งนะแต่ไม่ลึกลับสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลสมบูรณ์ ไม่ใช่ธรรมะแห่งการคาดคะเนว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป๊ะๆ เ, เลยท่านบอกอย่างนี้ก็คืออย่างเนี้ยไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องอาศัยการน้อมใจเชื่อไม่อาศัยสัตเชื่อด้วยศรัทธาแต่ศรัทธาเกิดขึ้นมาเพราะมีปัญญารู้ตามที่ท่านบอกรู้ความจริงตรงตามที่ท่านบอกก็เลยศรัทธาแลียศรัทธาของชาวพุทธแท้ คือศรัทธาของพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่ใช่ศรัทธาที่กลับกลอกส่วนศรัทธาของปุถุชนกลับกลอกกลับกลอกตลอดเวลาเพราะยังไม่เห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนต่อวันใดเราภาวนาจนเราเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะศรัทธาแน่นแฟนเลยไม่ใช่ศรัทธาเพราะน้อมใจเชื่ออีกต่อไปละ สัทธาที่มั่นคงนี่ท่านเรียกว่าอาจาะสัทธาอา จ, อาจาระออ่อางจจานลลิงอาจาะสัทธาสัทธาที่มั่นคงหลายปีมาแล้วนะหลวงพ่อมนตรีเคยคุยกับหลวงพ่อบอกพระโมทอย่าเชื่อสัทธาของคารวะนะเราก็แอบต่อในใจสัทธาของพระด้วย ศรัทธาแท้ๆมันจะไปเกิดตอนได้สซดาแลนะศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนอีกนี่พวกเราก็เดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาอันนี้เป็นปกตินะถ้าศรัทธาลูกเดียวน่าโง่ง ง, งอยเพราะว่เรายังไม่ได้เห็นธรรมะตามพระพุทธเจ้าเรายังศรัทธาไม่ได้แท้จริงเมื่อเราคอยรู้นะรู้ลงมารู้ลงมารู้ในกายรู้ในใจเนี่ยเช่นวันหนึ่งใจกะธรรมะมันเป็นอันเดียวกันมันแปลกนะ ใจของเรากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยทำไมใจของเรากับพุทธะเป็นอันเดียวกันก็ใจนั่นแหละคือพุทธะทาไมใจกับพระธรรมเป็นอันเดียวกันก็ใจนั่นแหละเป็นธรรมะทำไมใจกับพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันก็ใจนั่นแหละเป็นสังฆะเป็นอันเดียวกันหลอมรวมเข้าด้วยกันหมดค่อยเรียนนะค่อยฟังค่อยฝึกไปมาเรียนกับหลวงพ่อก็ ค่อยๆหัดดูสภาวะไปเห็นสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในกายในใจหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะมันหมุนเวียนอยู่ในกายในใจนี้ทั้งวันทั้งคืนเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆกุศลเกิดขึ้นเราไปหลงยินดีนะใจก็ฟูใจฟูใจก็ทุกข์ทุกข์แบบคนดีอกุศลเกิดขึ้นมาใจเรา รุนแรงโหดร้ายรุนแรงอะไรขึ้นมาก็เห็นเองมันก็เป็นทุกข์อีกความสุขเกิดขึ้นมาก็เห็นเป็นทุกข์อีกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นเป็นทุกข์อีกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอันนี้เห็นด้วยคำพูดไม่ได้นะด้วยการคิดเนี่ยคิดไม่ออกต้องดูเอาเองรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเนืองเนืองเนี่ยถึงจะเห็นได้ว่ามันทุกข์ล้วนๆจะมาเชื่อด้วยคาพูดไม่มันไม่เชื่อจริง อย่างพวกเราเคยเรียนเคยฟังธรรมะมามากมายหลายคนฟังมานานบางคนฟังมาแต่เด็กๆจนอายุมากเคยฟังอริยสัจสี่ใช่ไท่านบอกว่าทุกทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกอะไรคือทุกขันห้าคือทุกกายกับใจคือทุกนเราก็ว่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครเห็นหรอกว่ากายกับใจเป็นทุก พวกเราเห็นได้แค่ว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงเรียกว่ายัางไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมนี่เราจะเห็นทุกข์อย่างแท้ จ, จริงว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอีกเลยกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ทันทีที่เห็นกายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะสมุทัยคือตัณหาจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเอง เมื่อตันหาไม่เกิดขึ้นนิโรธก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยนิโรธคือความสิ้นตันหาคือความสิ้นทุกข์นั่นเองความไม่เกิดขึ้นอีกของทุกข์ในขณะที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งขณะนั้นในอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองเห็นในขณะจิตเดียวกันนั่นเองนี้เรานึกยงไก็นึกไม่ออกทาไมเราทางาน จิตมันทํางานได้ตั้งสอย่างในขณะเดียวกันมันรู้ทุกข์ด้วยมันละสมุทัยด้วยมันแจ้งนิโรธด้วยมันเกิดอริยมรรคด้วยนะทำไมมันทํางานได้อย่างนั้นมันอัศจรรย์ต้องคอยรู้กายรู้ใจนะวันหนึ่งก็จะได้สัมผัสถึงความอัศจรรย์อันนี้การเข้าถึงทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรบางทีรู้ได้ไม่ทั่วถึงรู้สึกแค่ว่าเหมือนจิตรวมปุ๊บไปแล้วเข้าไปสู่ความไม่มีอะไร ถอยออกมากิเลสถูกทำลายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ซ้ำไปหลายหายทีก็จะเห็นกระบวนการได้ครบถ้วนมากขึ้นมากขึ้นการเกิดอริยมรรคก็มีกระบวนการของการเกิดไม่ใช่อยู่ๆเพราะวูบวูบาๆก็บอกเกิดอริยมรรคเนีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมากๆพบางคนเกิดตั้งห้าครั้งหกครั้งสิบครั้งเนี่ยจิตดับรูปลงไปยี่สิบครั้งแล้วบอกผ่านโซรถยานเท่านั้นครั้งเท่านี้รอบอะไรเงี้ แต่กิเลสเหมือนเดิมมัละกิเลสไม่ได้จริงนันต้องรู้กายรู้ใจนะรู้ไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อทีแรกฟังยากอาศัยอดทนนิดนึงไม่เก็บค่าฟังขอร้องอย่างเดียวว่าทนทนไว้หน่อยอย่าเพิ่งตัดสินว่าถูกหรือผิดคนที่มาใหม่ๆลองฟังเล่นๆไปฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆ ดูซีความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็คอยรู้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ใจเฉยๆก็คอยรู้นะโรคปวดหลงเกิดขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างหมุนเวียนกันเข้ามาก็คอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปละนะให้รู้ลูกเดียวเลยลองหัดรู้ไปเรื่อยๆการเจริญสติปัฏฐานก็คือการรู้รูปรู้นามนั่นเองงานในสติปัฏฐานก็คืองาน ร, รู้นั่นรู้ไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งแจ้งขึ้นมาเข้าใจ ทุกวันนี้หลวงพ่อมีพยานมากขึ้นนะแต่ก่อนเวลาสอนเนี่ยต้องอ้อมๆมากกว่านี้นะเดือนนี้ส่วนมากฟาดเปรียปร้ยงๆพูดตรงๆพูดซื่อๆเพราพยานของเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างคนที่ฝึกจนสติตัวจริงเกิดขึ้นอัตโนมัติจะรู้เลยว่าที่หลวงพ่อพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นหรอกพูดสภาวะให้ฟังแบบซื่อๆเลยแบบถอดหัวใจพูดให้ฟังคอยรู้สึกคอยดูกายดูใจไป ได้สิบนาที เ, เชิญส่งกันบ้านวันนี้จิตมันมีแข็งแข็งนะคะแล้วก็มีฟุ้งส่าสแสนแซมๆค่ะไปกดมันด้วยแข็งแข็งหลวงพไปบังคับมันไม้ฟุ้งส่านนั้นเป็นธรรมชาติของมันหลวงพ่อคะอจิตที่มันจ้าออกไปมันหมายความว่าย่งไรคะที่หนูมันชอบแช่หรือยังไงคะเราสร้างขึ้นมาทั้งหมด<อ>เราอยากปฏิบัตินะเร ใจไม่เป็นประคองไว้เงั้นประคองแล้วก็จ้าๆอย่างนี้มันหมายความว่าเราเราทําเอาไว้อย่างนี้เราไปทำไว้เราไปสร้างภพขึ้นอันหนึ่งนะภพอันนี้ก็คือมันจ้าๆไปจิตอยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างนอกแล้วก็จ้าๆแล้วเราก็ไปพอใจอยู่ในความจ้านี้พราะในความจ้านี้ดูเหมือนไม่มีทุกข์ดูเหมือนไม่มีทุกข์หล่าไหมค่ะใช่ค่ะพเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละที่พ้นทุกข์ที่พึ่งที่อาศัยเราก็ไปสร้างภพอันนี้ขึ้นมา ในความเป็นจริงแล้วพบทั้งปวงนะเป็นทุกข์ทั้งปวงเลยไม่มีพบใดที่ไม่ทุกข์นะแต่ว่าเราไม่เห็นเห็นหว่าการที่จะเห็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องง่ายน ะ, ะใจเราไปสว่างจ้าอยู่ว่างๆอยู่ล้วก็ว่าไม่ทุกข์แหละดังนั้นพอเราเห็นว่าไม่ทุกข์เราก็พอใจอยู่ในสภาวะนี้จิตก็ติดยึดอยู่ในสภาวะนี้ข้ามพบข้ามชาติไม่ได้ติดอยู่ในพบอย่างนี้ดังั้นการที่เห็นทุกข์นั่นแหละ จะทำให้ใจข้ามภพไปเพราะใจจะไม่ติดอยู่ในภพใดๆเพราะภพใดๆก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยพระเจ้าบอกภพทั้งหลายก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เราเห็นว่าเป็นสุขเพราะสติปัญญาเราไม่พอเราเห็นว่าเป็นสุขนะคราบน้องสการหลุ่พ่อครับก็ไม่ได้มามานานอก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะอแล้วก็สลับสลับกันไปสบายบ้างอึดอัดบ้าง ตื่นเต้นบ้างดูไปนะมีแต่ความไม่เที่ยงเห็นไหมเราบังคับไม่ได้ดูอย่างเนี้ยทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปนะดูอย่างเนี้ถึงวันหนึ่งปัญญามันแทงทะลุลงมากายนี้ใจนี้รุนแต่ของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้รุนแต่ของบังคับไม่ได้กายนี้ใจนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะถ้าเหตุต่อไปใจก็ไม่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็พ้นทุกข์ไป คำว่าพ้นทุกก็คือพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนั่นเองเพราะกายกับใจนั่นแหละคือตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นนะว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์อ ว, วิชาของเรายังมีเราเห็นแค่ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของความทุกข์นั่เห็นได้แค่นี้ยังไม่เห็นว่าตัวมันเป็นตัวทุกข์รู้สึกไหมเราจะรู้สึกอย่างเรานั่งอยู่นะเรารู้สึกร่างกายโดยตัวมันเองไม่ทุกข์แต่นั่งนานๆแล้วเวทนาความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามากายเลยทุกข์ ตัวมันไม่ทุกแต่เวทนาทำให้ทุกเราไม่เห็นหรอกว่าตัวมันเป็นตัวทุกเห็นแค่ว่ามันเป็นที่ตั้งของความทุกเราคอยรู้คอยดูไปมีสติมีปัญญาคอยรู้ลงในกายในใจถึงวันหนึ่งนะอาวิชามันทนกําลังของสติปัญญาไม่ได้สติปัญญามันซักฟอกให้ดูของจริงอยู่เรื่อยๆมันก็แจ้งขึ้นมาว่ามันทุกข์รวนๆมันทุกข์ร้นๆมันสลัดทิ้งเลย ค่อฝึกนะฝึกไปกราบด้านมัการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติแล้วการเกิดดับนี่ก็เห็นอยู่แต่เมื่อวานนี้มีเหตุที่ทำให้น่ายินดีก็ดูเขาอยู่ตอนนี้ขณะที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาไร้น้ำหนักแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วมันเป็นการดับชนิดขาด แม้จะนึกถึงเรื่องนั้นอีกเท่าไร ม, มันก็ไม่มีความยินดียินร้าย น, นี่เกิดขึ้นอีกแม้แต่เงาแต่นี้หลังจากนั้นเนี่ยเวลามองอะไรนี่มันจะไร้น้ำหนักเบาๆลงโล่งไปหมด อ, ม อ, มอมืมันจะเป็นช่วงหนึ่งนะเดี๋ยววันหลังมันมีอีกไม่มีน้ำหนักขึ้นมามันยังเสื่อมได้อีกนะดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่มีน้ำหนักโลกทั้งโลกนะไม่มีน้ำหนัก อย่างอันนี้นี่ปลอกไอพอดหนักไหมเทียบกับภูเขาอันไหนหนักกว่ากันสําหรับหลวงพ่อนะไอ้ น, นี่หนักกว่าภูเขาเพาหลวงพ่อไม่ได้ยกภูเขาเนีะนั้นไม่ว่าเราไปยกอะไรขึ้นมานะอันนั้นหนักถ้าวันใดเราไม่ยกนะเราไม่หนักหรอกภูเขาทั้งโลกก็ไม่หนักนะพอเราคืนกายคืนใจให้โลกไปแล้วจะไม่มีน้ําหนักอะไรเกิดขึ้นอีกเลย ดีแล้วภานาดีนะโมทนามันอย่าค่อยพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปได้เป็นพยานให้หลวงพ่ออีกมันพ้นทุกข์จริงๆนะเป็นพยานได้เลยมีสติขึ้นมานะจิตกับโลกมันแยกออกจอากกันนะโลกส่วนโลกจิตส่วนจิตไม่เกี่ยวกันไม่แบกไม่หามกันมันก็มีความสุขกนะราบธรรมสการค่ะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายมีเวลาว่างก็เลย นั่งตามรูปแบบนั่งแล้วก็มันจะเห็นความอยากเข้าไปมันฟุ้งซ่านใช่ไหมคะแล้วมันก็คิดแล้วมันก็พอมันรู้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็หยุดไปแล้วมันก็จะเห็นความอยากอยากเข้าไปคิดตามหลังอีกทีหนึ่งแล้วมันก็หายไปแล้วก็มันก็จะมีบางช่วงที่บอกว่าเลิกเถอดเลิกเถอดอย่างเงี้ยนะคะอยู่สองสาครั้งก็เลยตอนตอนเลิกเถอดครั้งแรกนี่ก็ดูไปเรื่อยๆมันก็จางไปแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยค่ะ พอตอนสุดท้ายครั้งที่สามก็เออเลิกเลยแล้วก็ลุกมาอ่านหนังสืออ่านหนังสือสักครู่หนึ่งก็จิตเห็นจิตใจกระวนกระวายก็ตัวเองก็ลุกขึ้นมาเลยก็หันไปดูว่าจะทําอะไรไปเจอแมวก็ดูความว่ารู้สึกว่าอยากไปเล่นกับแมวพอไปเล่นก็รู้สึกว่ามีความสุขเล็กน้อยก็ตามดูไปเรื่อยๆพอตอนเย็นก็ไปนั่งตามรูปแบบอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเวลาเหลือก็ฟุ้งซ่านมากเพราะว่า คิดว่าเอ๊ะวันนี้จะส่งการบ้านอะไรท่านดีพอนึกได้ก็เลยยึดกไก่ตัวคําถามเนี่ย่ะแล้วก็เอาไว้เก็บฟุ้งถึงความคิดอันนี้ค่ะเป็นช่วงๆตลอดแล้วก็เก็บมาจนกระทั่งตอนเช้าจนถึงตอนนี้อย่าทิ้งไปนะอย่าไปเอาไว้ส่งการบ้านหลวงพ่อไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปจําไว้ไม่ต้องเตรียมไม่เหมือนเราเข้าห้องสอบนะเข้าห้องสอบต้องเตรียมพร้อม เรียนธรรมะนะทำใจว่างเปล่าไม่ต้องเตรียมอะไรอะไรปรากฏในปัจจุบันแล้วก็แสดงอ น, นั้นออกมาเนื่องใจเราไม่มีความสุขใช่และก็สิ่งที่มันชวนเลิกนี่ก็คือกิเลสอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีเรื่องอื่นไม่ได้มีไม่ ม, มากอะไรนีร่เป็นหลงคนนะการปฏิบัติเนี่ยอย่าเลิกจะยืนเดินนั่งนอนหรือจะทําอะไรก็ไม่เลิกปฏิบัตินะอย่าไปคิดว่าขณะนี้หมดเวลาปฏิบัติแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วเพราะงั้นไปทำอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้แต่เราปฏิบัติไม่เลิกเราะงั้นเราจะเล่นแมวเราเห็นจิตใจมีความสุขอเงี้ยถูกแมวขวนแล้วชักโมโหอะไรเงี้ยเราก็รู้ไปได้วยเราไม่ได้เลิกปฏิบัติเราเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆหรือว่าเรานั่งสมาธิอยู่หมดเวลานั่งสมาธิก็ไม่ได้เลิกปฏิบัติแต่เราปฏิบัติในหลายๆอิริยาบถไม่ได้ปฏิบัติในอิริยบทนั่งอย่างเดียว อย่าเลิกนะค่ะแล้วเมื่อเช้าไปเดินก็ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูใจ<ม>ใจก็ไม่เป็นกลางอยู่ดีอ่าดีต้องอย่างนั้นไปเดินแล้วก็ดูได้อย่างนั้นแหะดีที่สุดเลยนะไม่ทราบว่าจะกราบขอความกรุณานะท่านชี้แนะนี่ไงแนะแล้วไปเดินอย่างนั้นแหล ะ, ะกราบนมรดกการค่ะเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อเป็นคนที่พูดแล้วฟังยากเวลาหลวงพ่อ บ, บอกกันบ้านให้นะ เราบอกจบโยมจะต้องถามมาแล้วขอาการบ้านการบ้านไม่มีอะไรนะการปฏิบัติมีแต่มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีเท่านั้นแหละดูไปวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งนะก็พ้นทุกไปหัดใหม่ๆก็พ้นทุกได้บ้างยังทุกบ้างสุขบ้างพ้นบ้างฝึกไปนานๆก็พ้นมากขึ้นมากขึ้นโยมหลงหน้า เฮ้ i, นาวกับหลงคนละนั่นนั่นไปนั่งตักแดดมันหนาวจริงๆ อ, อ่ะอกลับเรียนขอวงพ่อครับก็วันนี้รู้สึกว่าใจมันโล่งกว่าเมื่อวานนะครดีใจมากมันจะกลับบ้านหรือนไงคิดว่าไม่เกี่ยวครับเหนอะครับใช่วันนี้ภาวนาดีขึ้นคือเมื่อวานที่กลับเรียนหลวงพ่อไปว่ารู้สึกว่าใจมันรู้นอกๆครับ กลับเข้าไปพยายามจะไปนั่งสมาธิไปอะไรนะฮะแต่ปรากฏว่ายิ่งนั่งยิ่งตื้อครับยิ่งหัวมยิ่งตื้ อ, อ, อยิ่งเหมือนนะฮะเรานั่งเพราะอยากจนกระทั่งมันประมาณสักบ่ายสามเราก็ลุกขึ้นมาเก็บกวาดกุดทําความสะอาดล้างห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันก็แปลกตรงที่ว่าจิตมันก็คล้ายๆว่ามันมันมันคลายสิ่งที่มันยื้อมานานนะฮะครับก็หลุด ของมันไปดื้ออย่างเงี้ยฮะแล้วก็โล่งๆมันนั่นแหละง่ายเห็ น, นี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกครับหลวงพ่อหนะ้ามีอยู่คราวหนึ่งอยู่สวนโพบวชได้สองปีหนึ่งเดือนยี่สิบวันวันนั้นสอนโยมเสร็จนันเหนื่อยตอนบ่ายคงไปนอนนอนกระดิกเท้าด้วยนะไม่นอนธรรมดาเราเป็นคนที่ต้องกระดุกกระดิกตลอดฝึกมาอย่างนั้นกระดิกกิกนั้นอยู่ๆใจมันก็โล่งไปเลยไม่ได้ทาอะไร มันเป็นของมันเองเนะ่ยคือคือแต่วินาทีนี้นรู้สึกได้ว่าแบบมันไม่ใช่เราทำมันต้องเป็นต้องเป็นจิตเขาทําเองเอ อ, อนั่นเห็นไหมจิตไม่ใช่เราหรอกครับเขาทำของเขาเองถ้าเป็ น, ถ, ปนถ้าเป็นเราทําให้โลง่งมันจะโล่งได้สั้นมากก็เดี๋ยวมันจะกลับมาทําทันทีมันเป็นโล่งปลอมครับไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นของที่เราปลุงขึ้นมาก็เป็นพบอันนึง่งพบบางๆครับเะะนั้นโล่งที่แท้จริงนะโล่งเองเนะ่ยโล่งแล้วมีความสุขรู้สึกไหมใช่ครับโอ้ภาวนาเก่งเนาะใช้ได้เลย แต่คือถ้าเกิดว่ามันมันต้องโลกอย่างนั้นมันถึงจะไม่มันถึงจะอยู่เหนือเหนือกิเลสได้ใช่กิเลสเข้ามาไม่ได้ในขนะนี้กิเลสจะเข้าไม่ได้ครับจิตใจมันก็ทำงานอย่างมันจะคิดจะนึกนะแต่กิเลสไม่แทรกแล้วครับมันมันเหมือนกับว่ามันมีทุกอย่างมันยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเราว่างๆจากตรงไหนเราว่างจากกิเลสเนี่ยว่างจากทุกว่างจากกิเลสเอาหนาใช้ได้ดีเอาเดี๋ยวของพ่อแถลงการเลย หลวงพ่ออยากขอร้องพวกเราเราอย่าไปให้อาหารหมาอาหารหมาอาหารแมวในวัดอย่าไปให้นะเพราะว่ามันสร้างปัญหาอย่างร้ายแรงมากเลยวัดหลายวัดอย่างกระทั่งบ้านตาดนะท่านทำรั้วอย่างแข็งแรงเลยนะไม่ใช่กันขโมยไม่มีของให้ขโมยแต่ท่านกันหมาหมาเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในวัดคนชอบเอาหมาไปไว้วัดด้วยนะขนไปไว้เยอะๆเนี่ย มันไม่ใช่หมาที่เขาเลี้ยงมาแต่แรกๆเราจับมันก็ไม่ได้จับอาบน้ําก็ไม่ได้พออยู่ไปสักพักนะเป็นขี้เรื้อนนะพวกเราจะรับสภาวะไหวไม่กินข้าวไปแล้วมีหมาขี้เรื้นพันแข้งพันขาไปเรื่อยๆนะแล้วเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยหมาก็จะเห่าเห่ากัดกันตอนที่สร้างวันใหม่ๆ ใ, ใครที่มาช่วงแรกๆเ่ยเคยได้ริมรสชาติกําลังสอนอยู่นะหมากัดกันลั่นไปหมดเลยเดียวเจ้าจรอบสารานี้แหละ เรียนไม่ได้ที่นี่มันเหมือนโรงเรียนนะไม่ใช่ที่เลี้ยงสัตว์อะไรดอกมันเหมือนโรงเรียนต้องการความสงบมากๆเลยอย่างคนที่เข้ามาพักกลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนหมาหอนทั้งคืนนี่สยองนะวัดหลวงพ่อยิ่งขึ้นชื่อลือชาเลยว่ามันน่ากลัวทั้งๆ ท, ที่มันโล่งๆอย่างเงี้ยมันน่ากลัวสุดๆเลยนะคนใจลอยเดินจงกลมเพื่อนก็ลากแขนเลยอย่างเงี้ยนั่งใจลอยไปอธิษฐานนะบอกถ้าใจลอยขอให้เตือน พอใจลอยปุ๊บเคาะเปรี้ยงเๆหนึ่งเคาะแล้วยังไม่ลุกขึ้นมาก็เลื่อนตู้เลื่อนเก้าอี้หรือดันหลังขึ้นมานั่งเนี่ยถ้ามีหมาหอนเป็นแบ็คกราวด์ด้วยนั่นมันน่ากลัวนะแค่นี้ก็น่ากลัวเยอะแย่อยู่แล้วงั้นหมามันกัดกันหมามันหอนหมามันเป็นขี้เลื่อนหมาอะไรเนี่ยแล้วลที่นี่หมามเยอะมากข้างนอกนหมามเยอะมากเลยถ้าเราช่วยเราไปให้อาหารเนี่ยเราใจเราเมตตาแล้เราให้อาหารมันจะพากันเข้ามา แล้วมันไม่ยอมออกไปความจริงแล้วทุกวันตอนเย็นๆเนะี่ยพวกเด็กๆเด็กคนงานเนี่ยเขจะรวบรวมเศษอาหารนะเนี่ยจะรวบรวมอาหารกันพอพวกเราไปแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยให้คนคนซึ่งเขาต้องการในหมู่บ้านอะไรเนี่ยเศษอาหารที่เหลือเนี่ยเด็กเขาจะเอาไปเลี้ยงหมาหมาจะมีอยู่สองกบหมาขาวกับหมาดำหมาดําอยู่ซ่งนี้หมาขาวอยู่ซ่งนี้ไม่ถูกกันนะเอาอาหารเอาเศษอาหารอะไรไปให้กินข้างนอก ไม่ใช่ว่าไม่ให้หรอกเพราพวกเราอย่าให้อาหารเลยนะมันสร้างภาระต่อไปวัดเต็มไปด้วยหมาขี้เลื้อนเนี่ยจะลําบากมากเลยนแล้วพระเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะพระไม่รู้จะสู้กับหมา ย, ยัางไงนะเพราะหมาเป็นขี้เลื้อนจะเรียกเทศบาลมาจับก็เรียกไม่ได้ <c oughs> งั้นเราอย่าไปให้อาหารมันนะเอะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์